พระพุทธเจ้าของพวกเราผู้เป็นพระบรมศาสดาเป็นสัตถาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเพราะทรงเป็นผู้มีพระปัญญาที่ฉลาดแหลมคม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 ทำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เห็นที่ไม่มีใครรู้เห็นได้ก็คือพระอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกก็คือความทุกข์ใจสมุทัยคือต้อนเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจได้แก่ตัณหาทั้งสาม คือกามตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตันหาวิโรธคือการดับของความทุกข์ใจและมัคคือทางที่จะนำพาให้ไปสู่การดับของความทุกข์ใจนี่คือพระอริยสัจสี่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 เพราะว่าเป็นอนัตตาเวลาเขาดับไปก็ห้ามเขาไม่ได้หรือถ้าในกรณีที่ก่อความอยากในกามารมณ์ก็ต้องเห็นอสุภะขึ้นมาทันทีต้องเห็นว่าบุคคลที่เราอยากจะร่วมเสกกรมด้วยนั้นเป็นอสุภะ ไม่ใช่เป็นสุภาสุภานี้เป็นส่วนที่ปรากฏให้เห็นแต่อาสุภานี้เป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้สุภาคือสุภาก็คือความสวยงามน่าดูน่าชมอาสุภาก็คือความไม่สวยงามไม่น่าดูไม่น่าชมมีอยู่ในร่างกายของคนคนเดียวกันนี่แหละ แต่สุภาพักจะเป็นผู้ปรากฏออกมาในด้านนอกแต่อสุภะนี่เป็นผู้อยู่ในด้านในถ้ามองด้วยตาเปล่าจะมองไม่เห็นอสุภะต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการพิจารณาอสุภะนี้เองต้องพิจารณาอยู่เรื่อย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 เราก็จะมีอาสุภะมาแก้ได้มีสัมมาทิฏฐิคือความไม่สวยไม่งามมาแก้มิจฉาทิฏฐิคือความสวยความงามได้นี่ก็คือเรื่องของอริยสัจสี่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุเวลา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 จะคิดไปในทางสุภาความสวยความงามก็จะทำให้เกิดกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากหรือสูญเสียสิ่งที่ได้สิ่งที่รักไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาจิตใจของผู้ที่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 จิตตะพวนาคือการเจริญสติสมาธิปัญญานี่เองและการที่จะบำเพ็ญจิตตะพมนาได้ก็จำเป็นจะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนศีลก็คือศีลแปดสำหรับผู้ครองเรือนหรือศีลสองรอยยีิบเจ็ดของผู้บวชเป็นพระภิกษุ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 เพื่อให้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากทุกขังนี่ก็คือทุกในอริยสัจสี่นี่เองเห็นนั่นที่เห็นอนิจจังก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นทุกขังก็เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกสมุทัยนิโรธมากเห็นอนัตตาก็คือเห็นมากนี่เอง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 มีแต่จ ะ, จะเจริญขึ้นไปเป็นขั้นขั้นไปมีอยู่สี่ขั้นขั้นที่หนึ่งเรียกว่าขั้นสุดาบันขั้นที่สองเรียกว่าสกิฎาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีและขั้นที่สี่เรียกว่าอารหันต์นี่คือสวรรค์ชั้นสี่ชั้นที่จะไม่มีวันเสื่อมได้ชั้นไหนแล้วก็จะไม่เสื่อมลงมา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 นี่คืออันนี้จังไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้จะไปสั่งให้เขาเที่ยงแท้แน่นอนถาวรให้ลักกันไปจนวันตายนี่เป็นไปไม่ได้ถ้ามีปัญญาฟังอยู่ในใจแล้วมันจะสามารถที่จะแก้มิจฉาทิฏฐิได้ความเห็นผิดเป็นชอบได้ความเห็น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 ไม่ได้พิจารณาอยู่ในเรื่องของใจละถ้าใจถ้าการพิจารณาเริ่มออกนอกลู่นอกทางก็ควรที่จะหยุดพิจารณาแล้วดึงจิตให้กลับเข้าสู่สมาธิทํำจิตให้สงบให้สบายให้นิ่งให้เย็นให้มีพลังที่จะตั้งอยู่ในอุเบกขาไม่ถูกกําลังของ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 ก็จะอยากไปแล้วก็จะทุกไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเรื่องของวิปัสนาภาวนาที่จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีพระมีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีการตรัสรู้ก็เป็นยุคที่ป่าสจากปัญญานั่นเองเป็นยุคมืด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 การตัดสินของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเอกาบุตรเป็นหนึ่งเดียวในโลกของวัฏตะของการเวียนว่ายตายเกิดในบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดนี้นานๆจะมีบุคคลอย่างพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งการที่จะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคโช่ว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 สัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีถึงจะสามารถเป็นหนึ่งในบรรดาของสัตว์โลกที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะัฏะสงสารได้นานๆานจะมีบุคคลอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งผู้ใดที่ได้มาพบกับบุคคลคือพระพุทธเจ้า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 เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังค p ปเมวะสมิจโตสัพเเปุเรนโตสังกะปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติร a โสยธาสัพพิตโยวิวัจจันโตสัพพโรโควีนัสตุ มาเตผวะตวันตรายยสุขีทีคายยโกผวะอภิวาธนาสีิตสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธมรมวัทานติอายุวันโสุขังภาลัง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 คำถามซึ่งก็คิดว่าไม่ไมยากมากนะคะที่สําหรับคนทั่วไปเขาจะตอบแต่โยมก็ยังไม่กระจ่างคือการเป็นผู้หญิงเนี่ยการบวชอ่าการถือศีลแปดอยู่ในบ้านของเรากับการไปบวชเลขขมะเป็นครั้งคราวึถือศีลแปดกับการบวชทีที่ไปนุ่งขาวห่มขาวอยู่ในวัดแล้วก็ปลงผมเนียค่ะทั้งสามอย่างเนี่ยอันนี้สองต่างกันไหมคะต่างกันตรงที่ความเข้มข้นของการปฏิบัติ ไม่ได้ต่างกันอยู่ที่ในลักษณะคือลักษณะก็เหมือนกันคือถือศีลแปดเหมือนกันภาวนาเหมือนกัน <_ d ata> เพียงแต่ว่าความเข้มข้นของการปฏิบัตินี้อาจจะต่างกันเช่น <_ d ata> ถ้าเราหนุ่งขาวห่มขาวโกนศีษะกับไม่ได้หนุ่งขาวห่มขาวกับไม่ได้โกนศรีรษะเพียง <_ d ata> แต่อาจจะแต่งกายธรรมดาเราก็ยังอาจจะ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 ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใกล้ท่านเลยเราก็ยังถือว่ามีอาจารย์อยู่ใกล้ตัวเราเช่นถ้าเราั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกวันก็จะมีธรรมะของท่านคอยสอนคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆฉนั้นก็สรุปก็คือถ้าได้อยู่ใกล้ท่านก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ท่านก็ต้องเอาท่านมาอยู่ใกล้เราก็ต้องระลึกถึงคาสอนของท่านอยู่เรื่อยๆ แล้วถ้าเรามีปัญหาเราไม่แน่ใจเราก็ควรที่จะไปหาท่านเพื่อไปกราบถามปัญหาของเราอีกคาถามเดียวนะคะท่านอปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงมีการบวชเป็นภิกษุณีอ่การเป็นภิกษุณีกับการบวชหินแปดหรือทูตบวชศีลสี่มันต่างกันมากขนาดไหนคะกันเป็นไม่ต้องไปเป็นภิกษุณีคะ่ะก็ต่างกันตรงที่ศีลที่ข้อห้าม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 ศีลนี้เป็นเปลนเหมือนอย่างที่ได้แสดงไว้เป็นเหมือนกำแพงรั้วกั้นไม่ให้ใจออกไปทะเลทลาลไปทําในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์กับจิตใจถ้าไม่มีรัว้วมันก็จะทะเลทลายออกไปได้ถ้ามีรัว้วมันก็ออกไปไม่ได้เช่นเราถือศีลแปดนี่เราก็รู้แล้วว่าเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีศีลแปดเราถือศีลห้าเราก็ยังไปเที่ยวไปทาอะไรได้อยู่ นี่เป็นหน้าที่ของศีลเพียงแต่กั้นไม่ให้ใจออกนอกรูนอกทางตัวที่จะดึงใจให้เข้าสู่สมาธิความสงบสู่ความสุขสู่ปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงนี้ต้องอยู่ที่การภาวนาอยู่ที่การเจริญสติเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเมื่อใจสงบก็จะสามารถสอนใจให้พิจารณาไปในทางปัญญาได้ เมื่อเห็นเมื่อมีปัญญาก็จะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็สามารถที่จะละความอยากต่างๆที่เกิดจากความเห็นผิดเป็นชอบได้ไดังนั้นตัวธรรมะที่สมคัญจริงๆนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวศีลเพียงแต่ว่าตัวศีลนี้จะสนับสนุนให้ได้เกิดการภาวนาอย่างต่อเนื่อง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 แต่ถ้าเราถือศีลแปดนี่เราบอกเราไปไม่ได้เราต้องเก็บตัวสำมรวมตาหูจมูกลิ้นกายอินทรีย์สังวรอย่างนี้มันก็จำเป็นที่จะต้องมีศีลช่วยกันไว้อีกทีหนึ่งพระคุณครัอบอาจารย์ธรรมสการครัอบอาจารย์สอบถามว่ากระผมมีข้อสงสัยอยู่ข้อหนึ่ง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 ใจมันเป็นอยู่แล้วทุกครั้งที่เราทำนี่เราเท่ากับเราสร้างสวรรค์สร้างอบายขึ้นมาใน ใ, นใจแล้วพอตายไปจะตายแบบกระทำหันหาตายแบบไม่กระทำหันหนี้มันไม่ไปเปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตดวงนั้นแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะของจิตดวงนั้นก็คือการกระทาสมมติว่าถ้าตอนนี้จิตเรายังอยู่ในระดับอบายอยู่ <L un Willy> ยเช่นองคุลิมานตอนก่อนที่พบพระพุธทธเจ้านี่ กำลังตามฆ่าคนให้วุ่นไปหมดพอมาเจอพระพุทธเจ้านี่พอได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็สำนึกผิดทันทีว่าตนเองมีมิจฉาทิฏฐิก็เปลี่ยนเอามิจเอามัสมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็รีบสร้างบุญสร้างกุศลจนได้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจิตก็เลยเปลี่ยนจากการเป็นอบายไปสู่การเป็นนิพพานไป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 เรารวยแล้วเราจนขนาดไหนคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้จนันใดใจของเราตอนนี้เป็นสวรรค์หรือเป็นอบายนี่เรารู้ถ้าเราศึกษาธรรมเราจะรู้แต่ถ้าเราไม่ศึกษาธรรมเราจะไม่รู้เพราะธรรมนี่เป็นเหมือนกระจกสองใจเราถ้าเรามีธรรมนี้เราจะรู้ ท, ทันทีว่าใจเราตอนนี้มันเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทวดาเป็นพรมหรือเป็นพระอริยบุคคลมันจะรู้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 เพียงแต่ว่าไปฆ่าผิดคนไปฆ่าผิดเป้าสิ่งที่ควรฆ่าก็คือกิเลสตัณหากลับไปฆ่าคนสาธุครับอาจารย์คอยข้อนะครับอาจารย์อาจารย์ฟังเทศท่าอาจารย์เนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยเวลาทำทาทาบุญทำบาปก็จะมีที่ไปนรกสวรรค์ทีนี้มี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 ถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาเต็มรูปแบบไปถ้าเป็นพรหมก็เป็นพรหมไปเต็มรูปแบบไปมันเป็นที่จิตไม่ได้เป็นที่ร่างกายนั้นถือว่าพอตายปั๊บก็ไปเกิดแล้วทันทีสาธุครับหมดคำถามคำถามจากเฟซบุ๊กค่ะคำถามแรก จากคุณธนพัฒน์ฉุกแก้วค่ะการเรียนถามพระอาจารย์เรื่องการแผ่เมตตาเจ้าค่ะเราควรแผ่ก่อนหรือหลังปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะคือการแผ่เมตตานี้ก็คือการแสดงมัยตรีจิตความมีความปรารถนาดีความรักต่อผู้อื่นต่อเพื่อนร่วมโลกด้วยกันยันเวลาแผ่ก็ต้องมีคนรับถึงจะแผ่ได้ และคนที่จะรับก็คือเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ที่เราพบปะกันเช่นเวลาเราไปเจอใครที่ไหนเราก็ควรที่จะแผ่ทักทายกันสวัสดีโอภาปาศีลมีสัมพันธไมตรีที่ดีมีอะไรพอจะแจกกันแบ่งกันแบ่งปันกันได้ก็แจกกันไปนี่คือการแผ่เมตตา การที่เราปฏิบัติทำนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระเสร็จแล้วเรามานั่งสวดสเพสัตานี้ไม่ได้เป็นการแพ่เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะเมื่อถึงเวลาที่เราเจอกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลือเป็นบุคคลหรือแม้แต่ถ้าเป็นกายทิศก็เช่นเดียวกันอย่าแผ่แบบขอให้เขาไปหายไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่ ถ้าแผลต้องให้เขาอยู่ต้องสนทนาปาศายกับเขาถามว่ามีอะไรเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่าเดือดร้อนหรือเปล่าต้องการให้ช่วยหรืออะไรหรือเปล่าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแผไม่ใช่สวด ส, สัตสัตตาไปไปไปอย่างนี้ไม่ได้แผลที่ให้สวด น, นั่นก็เพื่อเป็นการสอนใจเตือนใจว่าต้องเจริญเมตตาแล้วก็ลองท้อมดู ถ้าเรามีปัญหาเรื่องการแผ่เมตตกับบุคคลใดเราก็ควรที่จะซ้อมกับบุคคลนั้นเช่นเรามีคู่อริที่เราแผ่ไม่ออกเพราะเขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเราก็ต้องนึกถึงภาพเขาตอนที่เรายังไม่เพบกับเขาแล้วก็พยายามส่งความเมตตาให้กับเขาภายในใจซ้อมไปก่อนเผื่อเวลาเราเจอกับเขาโดยตรงเราก็จะได้แผ่ให้กับเขาได้ ก็ อ, อย่างน้อยก็ถ้าเราแผนไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ให้ระ ง, งับความโกรธความเกลียดไว้เวลาเจอเขาก็อย่าแสดงอาการอาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอย่างน้อยก็ให้อยู่ในอุบเบกขาไว้คือให้นิ่งเฉยไว้ถ้าเราไม่สามารถที่จะยิ้มให้กับเขาทักทายเขาหรือมีขนมนมเนยแบ่งให้เขากินก็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 แบบไห น, นที่ทำให้เราได้ผลเราก็ใช้แบบนั้นเพราะการทำใจให้เข้าสู่ความสงบนี้ก็มีอยู่หลากหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สิบนี้ก็เป็นสี่สิบวิธีที่จะสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นถ้าเราไม่ถูกเราไม่สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบด้วยการบริกรรมพุทโธหรือด้วยการดูลมหายใจ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 ไม่เหมือนกับครั้งแรกครั้งแรกนี้เราไม่มีอดีตเราไม่เคยรวมมาก่อนเราก็เลยไม่ได้ไคิดไม่ได้ไปคิดถึงมันแล้วก็เพ่งอยู่กับพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับพระพุทธรูปเพียงอย่างเดียวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วแต่ถ้าเพ่งไปแล้วก็นึกถึงผลที่ได้จากการเพ่งคราวที่แล้วแล้วก็มาวิพากวิจารว่าเอ๊ะมันทาไมยังไม่ได้สักทีอย่างนี้มันก็จะไม่มีวันที่จะได้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 ต้องทำเหมือนครั้งแรกก็คือให้เพ่งอยู่แต่พระพทรูปเพียงอย่างเดียวคำถามต่อมาเหมือนพระอาจารย์ตอบแล้วค่ะคำถามต่อมาคือเราต้องจำเส้นทางเดิมที่เราเคยเข้าสมาธิได้ใช่ไหมคะแน่นอนเหมือนกับเราเดินไปเข้าห้องน้ำครั้งที่แล้วเข้าไปเดินไปทางไหน <c oughs> <c oughs> ครั้ง <c oughs> ครั้งต่อไปเราต้องการเข้าห้องน้แล้วก็ไปทางเดินไม่ใช่เลย คำถามต่อมาจากท่านเดิมค่ะการที่เรามีจิตรุสร่านมากการบริกรรมแบบปัญญาอบรมสมาธิโดยพิจารณาดูอวัยวะในแต่ละส่วนของร่างกายไล่จากศรีรษะลงปลายเท้ากลับไปกลับมาเรื่อยๆจนจิตสงบเข้าสู่สมาธิทำอย่างนี้ถูกต้องไหมคะถ้าเข้าสู่ความสงบก็ถูกต้องการพิจารณา อวัยวะอาการสาสิบสองนี้ก็จะเรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้เพราะเราดูความจริงดูอสุภาพดูความไม่สวยงามดูอนัตตาดูว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนมีเพียงแต่อาการสามสิบสองแล้วใจไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆนาน า, นาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ขอให้ดูที่ผลก็แล้วกันต่อมาคือพอจิต เริ่มเข้าสมาธิเริ่มไม่ฟุ้งซ่านค่อยมาเพ่งหรือบริกรรมพุทโธต่อไปอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะก็ได้คือระงับตอนต้นเราใช้ปัญญาระงับความฟุ้งซ่านก่อนก็ได้ถ้าใจเราไปคิดถึงความสวยความงามของร่างกายของคนนั้นคนนี้แล้วเกิดอาการกระสับกระส่ายขึ้นมากวนกวายก็พิจารณาดูอัตถะของบุคคลต่างๆไปพอเห็นไปจนกระทั่งจิต ก็ระ ง, งับจากความกระสับกระส่ายความฟุ้งซ่านแต่ยังไม่รวมเราก็มากําหนดดูลมหายใจหรือบริกรรมพุทธโทต่อไปสุดแท้แต่ว่าจะใช้แบบไหนที่ถูกจริตกับเราก็ใช้ไปคำถามต่อมาจากผู้ฝากถามค่ะในฐานะผู้เป็นแม่พยายามพาลูกมาวัดบางครั้งลูกก็เต็มใจบางครั้งลูกก็ไม่เต็มใจควรจะพยายามต่อไปหรือไม่อย่างไรคะ ก็ <K unta> ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จ ก, ก็อยู่ที่นั้นถ้าไม่สำเร็จ ก, ก็อย่าไปโทษตัวเราก็แล้วกันโทษว่ามันเป็นทําในสิ่งที่มันสุดวิสัยเช่นพยายามที่จะทำทำอะไรปั้นน้ำให้เป็นตัวขึ้นมาถ้ามันทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันสุดวิสัย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 ก็แสดงว่าทุกคนมียกมือขึ้นมาแล้วกล่าวมาสักการ์พระอาจารย์ค่ะเอเวลาที่เออเราปฏิบัติธรรมมาค่ะเราจะรู้สึกว่าเออจิตเป็นสุขสงบทีนี้เพื่อนก็มักจะชวนไปทำทานทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพอไปแล้วมันก็วุ่นวายเราก็ เฉยๆอะค่ะนี่เขาก็จะพูดทำํำนองว่าเอ้ออย่างเงี้ยเราไม่มีบรารมีขอคําแนะนําพระอาจารย์นะก็พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาธรรมอให้สละทรัพย์สละอวัยวะสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มีคุณค่ากว่าธรรมนะ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 เพราะฉะนั้นเราต้องยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างถ้ารับรองได้เราก็จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ข้างหลังมีไหมเห็นไม่มีะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิรน